ไอ้การที่จะพูดการที่จะให้เขาว่าดีทุกคนเป็นไปไม่ได้จะเขาว่าชั่ววันเลวไปทุกคนก็เป็นไปไม่ได้จะชั่วหรือดีมันอยู่ที่ตัวของตัวเองต้องพิจารณาดูตัวเองว่าเราทําดีหรือหรือทําชั่วตัวเองจะรู้ก่อนคนอื่นตัวเองกับตัวเองจะรู้ดีกับคนอื่นว่าเราทําดีหรือทำชั่วแต่เขาจะ ว, ว่าดีก็จะไปดีใจ เขาโยกตรงเธะเถือนยันยอนก็อย่าไปดีใจเพราะว่าเราชั่วก็จะไปเสียใจดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวคนตัวเอง